การตังธรรมะทุกขันทุกคนก็เคยสดับรับฟังมาพอสมควรแด่ถ้าว่าจิตใจจะเป็นไปตามธรรมะที่ท่าน น, น้สอนงเราท่านยังไม่เป็นไปอย่างนั้นเหตุ น, นั้นจึงอาศัยการสดับรับฟังพอการตั้งจำมาจากสัญญามีการหลงลืมเป็นธรรมดา ก็เลือกได้บางทีก็าหายไปดังนั้นจิตจำเป็นที่ของเราจะระดับรับฟังการรับฟังธรรมะพร้อมกับการนั่งภาวนาไปเด็กกันฟังธรรมะในระยะีิท่านแสดงธรรมเรากำหนดง่ายจะดวกสบายเหมือนถังปลอม ให้หลับจิตใจที่เคยปุ่งปุงไปต่างๆเราตั้งหน้าฟังธรรมะจิตไกกมไดิคิตปรุงปรุงไปในอารมณ์สัญญาภายนอกฉะนั้นจิตจึงได้ับาวามเยือกเย็นสงบฟังเป็นงเกิดประโยชน์จากการประดับรับฟังในด้านฟังธรรมะ มันเป็นทางปฏิบัติรักษาใจแง่หนึง่งเหมือนกันกับเรรทำครามเพียรธรร ม, มาดาของเราฉะนั้นธรรมาที่พระพุทธเจ้าเนี้ยสอนสมัยเก่าก่อนที่พระองค์ยังทรงพระสนิทอยู่พูตระดับราบบาับฟังได้มากได้ผลต่อพระบาพทของพราองค์ก่อนย้ำใ่ขวด แต่สมัยปัจจุบันทุกวันนี้การประดับรับฟังธรรมะบางขันบางคนก็ได้รับตัดท่าความเสือเ่อมความเลื่มใสบางขันบางคนก็มีจิตใจสงบลงรวมมีอา น, นิสงส์การประดับรับฟังธรรมะแต่บางขันบางคนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในการประดับรับฟังเพราใจไน่ตั้งอยู่ที่ตัวสายแส ไปสู่สั้งญญาอารมณ์ภายนอกฉะนั้นธรรมะจึงเป็นยุกเป็นยาที่แก่แกเฉลี่ยปัญหาภายในใจของเขาธรรมะของพระพุทธเจ้ากออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์กับธรรมะที่เราศึกษามาจากสำหรับตำราที่แตกแตกต่างกันเพราะพระไทยของท่านเป็นแระไทยที่บริสุทธิ์ พูดทำมาออกไปเกิดพระไทยบริสุทธิ์แล้วก็มีภทยยานภายในเข้าใจนิสัยของสัรโลกที่ควรแนวสอนเหมือนกันกับหมอที่รู้จักสมุทฐานของโลกจะนำยาอะไรมารักษาพอตรวจผีทควนแล้วก็มีทางที่จะหายได้เป็นส่วนมาก หาหในรู้จักสมุทฐานหายาตำร้านตลาดมารักษาเองแต่ว่าเป็นโรคอะไรนั้นม่นก็ว่ากี่หน่อยบางทีก็อาจจะลมหายตายไปโรคไปไม่เหียดหายนั้นใดทําคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผิดออกจากพาะโอษฐผู้ดับรับฟังตั้งจิตตั้งใจจึงเป็นผลเป็นประโยชน์แต่ผู้สดับรับฟัง ในสมัยปัจจุบันคนระดับรับฟังก็ดีพอจี่แสดงทำก็ดีหายากที่จะมีทำบริสุทธิ์ในใจผู้ระดับรับฟังก็จะตังใจระดับรับฟังจริงจังเพื่อการปลดทุกข์หายากผู้แสดงก็แสดงเพรเสียไม่ได้ผู้ฟังก็ฟังเอาอุปนิสัยของหายไปเกิดเป็น เทวบุตรเทวาดาไปสนองนั้นความตั้งมั่นว่าจะจับเอาอัดทรรมที่สันแนะนำสั่งสอนไปประพฤติปฏิบัติกายใจท้องตัวเพื่อผลทุกมีน้อยฉะนั้นการแสดง ร, รมหรือการฟังทรรมอานิสงสิ่งต่ำเหมือ น, น, นสมัยก่อนถึงทมคำสอนจะเป็นอันเดียวกัน เธอว่าผู้สแสดงและผู้รับฟังไม่เหมือนกันเปรียบประดุลหนึงว่าคนที่ฉลาดทําอาหารถึงแม้จะเนื้ออันเดียวกันลาตัวเดียวกันคนฉลาดจะต้องทําได้หลายอย่างและรสชาติอริอร่อยคนโง่คนที่ไหนเคยทําครัวก็จะทําได้ไม่ดีเหมือนคนที่เคยทำครัวมา ชั้นใดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มีในชันนั้นในจิตแปลกแตกต่างอะไรกันถึงธรรมะจะเป็นธรรมะแต่ถือว่าผู้แสดงไม่ฉลาดสามารถที่จะหยิบยกขอบยียบเทียบต่างๆให้ผู้สดับเราฟังเข้าจิตเข้าใจแจ่มใสชัดเจนได้เหมือนพระพุทธเจ้านอกนั้นผู้สดับเราฟังที่จะตั้งใจต่อเพื่อปฏิบัติ นำทานั้นมาวิใจวิจารเพื่อรู้เพื่อขอาใจจริงจังขอหายาเมื่อเป็นเช่นนั้นจะไปเมาโอาวะธรรมะของพระพุทธเจ้าหมดการหมดสมัยเพราะสะดับรับฟังมาก็ไม่ได้รับตาระประโยชน์อะไรทางใจอาจจะไปคิดแบบนั้นก็เป็นความคิดเฉพาะบุคคล แต่ธรรมะนั้นยังเป็นธรรมะคงเต็นคงวาอยู่ผู้รู้ผู้เข้าใจยังมีไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครเหลื่อมใสศรัทธาไม่มีใครตั้งหน้าเสียสละชีวิตประพฤติปฏิบัติยังมีคนผิดเชื่อเหลื่อมใสเต็มใจประพฤติปฏิบัติอยู่เพราะรู้เพราะเข้าใจรสชาติของธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงใจเหลื่อมใสศรัทธาประพฤติปฏิบัติ คู้เห็นเป็นขึ้นในจิตในใจของตนทำรมาของพระพุทธเจ้ามีมากหากผู้จะศึกษาตามตำลับตำราแต่ถึงมากขนาดไหนก็ไม่ห่างไกลไปจากกายใจของพวกเราจะเป็นพระสูตรพระวินยัยพระปรามัตถ์ขอบัญญัติออกไปจากกายจากใจทางนั้น ดังนั้นจึงรวมลงมาว่ารูปประธรรมนามธรรมาสิ่งที่เป็นรูปถั่วไปเป็นธรรมะสิ่งที่เป็นนามหรือที่หมีตัวตนเป็นวัตถุเป็นนามธรรมานี่หมายถึงใจผู้ที่ได้ธรรมะหมายถึงใจผู้ที่เห็นธรรมะไปในสถานที่ใดเห็นอะไร ให้คิดทินี้รณ า, าให้เป็นธรรมะผัวไปไมว่าต้นไม้ภูเขาไม่ว่าสัวาาวาตว์ไม่ว่าบุคคลพอเห็นเขา้าทินี้ทีเจรณ า, าทางธรรมะรูปนั้นก็เลยตายเป็นธรรมะอย่างวัตถุปปรธรรมสามารถที่จะแนะนําสอนใจไม่ให้ประมาทสอนใจให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมชาติขาดขัน ดัง น, น, นั้นอย่างชัดเจนถ้าหากไม่มีธรรมะแม้จะแบกตำรับตำราหรืออ่านอยู่จนไม่รู้จบก็ไม่เกิดธรรมะสิ่งในจิตในใจฟ้องตนยังแต่อ่านตำราเฉยๆเหมือนอ่านหนังสือเรื่องอื่นนี่คือคนไม่มีธรรมะในจิตในใจฟ้องตนไปเจออะไรเข้าไปเห็นอะไรเข้าก็าไม่เกิดธรรมะให้ ตวามจริงธรรมะผู้ที่มีในใจไปสถานที่ใดไม่จนธรรมจะไปอยู่ในป่าก็มีธรรมอยู่ในธรําในเขาห็วมีธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทันที่เจรนาเป็นธรรมใจเป็นธรรมเห็นอะไรเป็นธรรมใจเป็นอธรรมเห็นอะไรเป็นอธรรมไปหมดฉะนั้นการฝึกอบรมจิตให้เป็นธรรมจึงเป็นของธรรมย่ หากผู้ใดประพฤติธปฏิบัติจิตใจของตนเป็นธรรมเห็นธรรมแล้วคนนั้นจะไม่จนธรรมและคนนั้นมีคุณค่าสาระมากอยู่ในสถานที่ใดไปสถานที่ใดสุกกายสุกใจไม่เป็นภัยแก่สังคมไม่เป็นภัยแก่โลกมีเรื่องของธรรมะที่พระพุธทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นธรรมที่เยือกเย็น ทำบุคคลและสัตว์ทั่วโลกให้มีความสุขฐานีธรรมะจะอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดเป็นสุขตะกอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดสุขกายสุขใจเพราะธรรมะรักษ า, าไว้ไม่ให้ตายห้ใจของคนนั้นเดือดร้อนวุ่นวาย รรมารักษาผูกประพฤติทรรอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราท่านที่สนใจในเรื่องธรรมะจึงควรกําหนดชนิดที่จะเล่นาะเพราะธรรมะเป็นเครื่องสํารากิเลสตัณหากิเลสหมายถึงความเศราหมองค้องใจตัณหาหมายถึงความอยากค้องใจความเศราหมองค้องใจก็เคยอธิบายให้ฟังเกิดขึ้นจากอารมณ์สัญญาอาดีต ท, ที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ ความอยากของใจก็คือความไม่สมบูรณ์ไม่อดในธรรมมันถึงอยากหาสมบูรณ์ไม่อดในธรรมแล้วความอยากจะ ต, ตกจะหลนไปไม่มีความอยากอะไรเกิดขึ้นซึ่งชื่อว่าความอยากอันเรียกว่าตัญหาจะตกไปดับ จิตจากใจของท่านไม่อยากจะไปนิพพานก็ไม่เคยนึกคิดเพราะเหตุใดเพราะท่านรู้ท่านเข้าใจว่านิพพานอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรจิตใจตี่ถึงนิพพานเลยหมดทุกด้านเรื่องความอยากนีการประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดจุดหมายเป็นอย่างนั้นหายจากความเศร้ามองขุนมัวค้องใจหายจากความอยากทั่วไป ไม่มีอะไรจะเกิดความอยากขึ้นเมื่อหมดความยากความทุกข์ในจิตในใจที่จะแสวงหาก็ไม่มีจิตใจจึงสงบเต็มที่สะดวกสบายดะงนั้นการประพฤติปฏิบัติใจจึงเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปในโลกผู้ประพฤติปฏิบัติใจของตัวได้จนเป็นพระ ประเสริฐอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ว่าจะกระทบอะไรจิตใจนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและแสดงอาจับจิริยา่าทีให้ตัวของตัวเห็นเพราะจิตใจตา ย, ตายทายจากโลกเป็นอย่างนั้นพระแบบนั้นจึงเป็นพระหายากมือใจเป็นพระส่วนพระ เพศหาง่ายในสถานที่ใดนี่ทั่วไปส่วนพระใจเป็นของหายากส่วนพระใจนั้นไม่ต้องไปบวชในบวกว็ได้ใจที่เป็นพระส่วนพระเพศพระสมมติตองบวชมีไปชาอาจารย์ส่วนพระใจนั้นอาศัยข้อปฏิบัติกรรมจัด คมชั่วต่างๆํงงำระสสารจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองโลภโกรธหลงออกจากใจจนใจไม่มีมนลพินอะไรติดข่องผ่องใสสว่างสวัยอยู่ทุกระยะเวลานี่คือพระที่แท้จริงถ้าแบบนี้มีอยู่ในผู้ปฏิบัต ไม่ได้อยู่สถานที่อื่นจะไปขอดูพระหรือเห็นพระที่อื่นมันเป็นพระภายนอกพระภายในอยู่ที่ใจใจที่เป็นพระใจที่เป็นสมณะคือสงบระ ง, งับดับความยึดตุ้งในเรียงชั่วเสียต่างๆเป็นพระที่หายาแล้วตาธรรมดาสามัญชนก็ไม่ คอยจะเห็นกันเพราะตาธรรมดาจะเห็นแต่เพียงรูปเท่านั้นส่วนใจภายในของท่านไม่สามารถที่จะมองเห็นดังนั้นคนทั่วไปในสมัยปัจจุบันที่เขาไม่เคยฝึกอบรมด่านข้องใจไม่เคยมีจิตสงบระ ง, งับเขาจึงไม่เชื่อว่าพระที่ดีวิเศษมีในโลกก็คือไม่มีในโลกว่าใจของเขา เขาฝึกเขาอบรมเขาเห็นเขาเป็นแล้วความสงสัย น, น, นั้นจะตกไปไม่มีอะไรจะเกิดสงสัยอีกเพราะเขาเห็นเขาเป็นในจิตในใจของเขาปุถิละจิติมานะลายจีเลตันหานั่นแหละพระพุทธเจ้าไห้ชื่อหลวพระสุข ป, ปิิปันโนคือผู้ปกิจิตบัดดีทางกายทางวาจาทางใจ ไม่เป็นภั ri, อยอันตรายต่อสัตว์และบุคคลอื่นในหน้าว่ายลังหลอกกระพือตรงไปตรงมารักษาตัวข้องตัวไม่ให้ทำชั่วผูดชั่วคิดชั่วนี่คือสุปฏิปันโนเป็นพระเบือ้องต้นถึงที่เหลือจตัญหามานาทิติยังมีอ ย, อยู่ก็ตังหน้าตังตาสำรับสาราษร์สง ไม่นอนใจมุงมั่นที่จ ะ, ะเพื่อเพื่อตัวของท่านให้พ้นโลกเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัตินี้เป็นทางสําระเป็นทางล้างจิตใจสีเสาร์หมองขุนมัวให้ตกไปจะทําจิตใจให้พ้นจากโลกไปได้เชื่อมั่นว่าตัวของท่าน มี่หนะ้าที่จะประพฤติปฏิบัติตัวของท่านสามาที่จะกำจัดความชั่วต่างๆให้หมดไปได้แล้วก็ตั้งหน้าต่้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาไม่ชั่วเข้ามาทับถมกายใจของท่านชั่วที่มีอยู่ก็กำจัดป่าเป่าออกไปนี่คือสุปฏิปันโนผู้รักษากายวาจาของท่านดีสุปฏิปันโนตอง ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่วกวนไปที่อื่นต่างหน้าต่างตาต้อเพื่อปฏิบัติไม่ได้เห็นสิ่งอื่นเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการประเพื่อปฏิบัติทาละกายใจของตนทำคำสอน<ม>สอนอย่างไรประเพื่อปฏิบัติกายใจตรงไปที่นั้น ยายาปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ไม่ว่าจะเหนื่อยอยากลำบากไม่ว่าจะหิวกระหายความต่างหน้าต่างตาจะไม่ยอมอยู่ในโลกอีกต่อไปชาตินี้คือเป็นปฏิสิมชาติของท่านไม่ยอมจะเกิดอีกมุ่งมั่นในการเพื่อปฏิบัติ เร่งรีบขวันขวายตั้งตสติตั้งปัญญาที่นี่ที่จรณานะอารรจจริงจังมุ่งหวังจากจะข้ามพ้นจากโลก่ายเดียวยายาปิติปันโนสาเนจิหมายถึงผูดถึงจุดหมายปลายทางปฏิบัติชอบยิ่งพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกอรหันที่ท่านสำเร็จมาเก่าก่อนเป็นอย่างไรใจของท่านก็เป็นอย่างนั้น ไม่มีอะไรที่จะสงสัยจะไปถามว่าใจของเราเป็นอย่างไรหมดจดหรือไม่ถึงที่สุดหรือไม่ไม่มีอะไรที่จะสงสัยพอถึงที่สุดจุดอันเดียวกันกับสาวกและพระพุทธเจ้านีน่ยกว่าสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะสงสัยในตัวคล้องตัวนี่แหละชื่อว่า สาวากสังโฆสาวกของพระพุทธเจ้านอกนั้นถึงจะเป็นพระเป็นเนนก็เป็นแต่ เ, เทเสพแต่จิตใจไม่เป็นพระเป็นเนรให้พระเนนเสศจึงหาได้ถั่วไปหาง่ายส่วนพระทางใจหายากหาผู้ใดมีพระทางใจผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐเพราะพระแปลว่าประเสริฐ ประเสริฐอย่างไรท่านเองรู้จับในตัวของท่านคนอื่นจะเห็นไม่เห็นเป็นเรื่องของเขาแต่ตัวของท่านเห็นเด่นชัดอยู่ทุกการทุกเวลาถ้าที่อยู่ในตัวของท่านมีท่านจึงตีติตื่มใจไม่มีอะไรที่จะดีเลิศประเสริฐกว่าท่าของท่าน จึงไม่เห็นอะไรอัศจรรย์ยิ่งกว่าความเป็นพระมีหมายถึงพระทางใจแล้วก็ไม่เป็นภัยต่อสังคมไปสถานที่ใดยังความสุขความสบายมาให้แก่ผู้ที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสมณานันจกทัศนังเอตมังคารมุตตมังคนจี่เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุด ยัียงใจเห็นเหลื่อมใสเต็มใจแถานั้นทั้งๆาที่ยังไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรกันเพียงแถานั้นก็เป็นมมคุลสำหรับคนที่เห็นจึงมีนิทานในพระสูตรเหลืองสัตว์ที่เหลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างนกเข้าเป็นตน้นเขาตายไปยังไในไปเกิดสวรรค์ทั้งทางที่เขาเป็นสัตว์ เพราะเขาเห็นสมณะแล้วเลื่อมใสพอใจในสมณะเป็นมงคลถ้าหาเห็นสมณะภายในก็ยิ่งเป็นมงคลใหญ่หลวงสมณะภายในคือใจสงบจากความขั่วช้าลามกต่างๆสมณะภายในจะเห็นได้ก็เพราะการประพฏิบัติกำหนด จิตกำหนดใจของตนทีนี้ที่จะรีนาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนห้ามกันน้นวิเลตปัญหาที่มาหยั่วายุจิตใจไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องพยายามปัดเป่าออกไปด้วยสติด้วยปัญญาทำจิตของตนให้นิ่งแนวอยู่ในความสงบ หรือทนี้พิจรารณาก็พิจรารณาด้านละขอนไม่ใช่ด้านสะสมนี่เรื่องผู้ที่จะพิพจรารณาผููที่จะเห็นสมณะภายในอาศัยความสงบของใจแบบพิจารณาไปในเรื่องขาดขันต่างๆขนาดชัดเจนไม่ติดข้อง พออาศัยปัญญาภายในใจพิจารณาอะไรเห็นประจักษ์ความจริงเราทุกคนก็เคยเห็นแต่ไม่เคยเกิดปัญญาเห็นไม่แจ้งเห็นเพียงเงาเงเห็นนั้นพวกเราถึงหลุมหลงกันที่ท่านเห็นภายในใจเห็นแจ้งไม่เป็นอย่างนั้น ไม่มีวันที่จะหลงเห็นอะไรชั่วกว็เข้าใจว่าเป็นชั่วดีก็เข้าใจว่าเป็นดีไม่มีอคติเหมือนจิตของเราที่ไม่ได้อบรมศึกษาเหมือนจิตของเราที่มี ก, มกิ เ, เ, เลสตัณหาเป็นผู้นําแต่นั้นถานจึงมีความสุขความสบายสงบเป็นสมณะเต็มที่สมณะ สามารถที่จะเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายไม่เหมือนเพ ศ, ศการบวชเพศการบวชสมัยปัจจุบันผู้หญิงถึงมีศรัทธาแรงกล้าอยากจะบวชเป็นพระในศาสนาก็บวชไม่ได้แต่ผู้ชายถ้าหากไม่มีอะไรผิดจากธรรมวินยัยที่นหา้างบวชได้มีหมายถึงพระภายนอก ส่วนตาภายในผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้หากฝึกรักษณะตาภายในจะเกิดขึ้นอาศัยความสงบของใจอาศัยที่นีิติจารณาละถอนิลเลศนิลเลศก็คือเรื่องความเศร้าหมองของใจใจที่จะเศร้าหมองก็เพราะใจที่จิตคล่องหลุ่มหลงในสิ่งต่างๆสิ่งที่อยู่วายุจิตใจให้เศร้าหมองโดยส่วนใหญ่ รู้ท่านกล่าวอาไว้ก็คือเรื่องปัญหาราคะความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสิ่งนั้นนั้นตามเป็นจริงแล้วยึดถือเชื่อมั่นตามโอหันต์สมมติของโลกเขาว่าอย่างไรก็เชื่อไปอย่างนั้นโดยแมที่นี้ที่เจนานในจริงนั้นนั้นตามเป็นจริงข้องหมันแล้วก็เลยลุ่มหลง ยึดถือว่าเรารู้เราเข้าใจแต่รู้เพียงชิวเผินไม่รู้โดยใจจริงจึงเกิดความหลุ่มหลงเกิดความเศร้าหมองเกิดความยึดถือถ้าหากที่นี่ที่จรนาตามเป็นจริงแล้วเกิดปัญญาในตนเห็นแจ้งในตนละถอนตามยึดถือดังนั้นสมมติ ของโลกเป็นอย่างไรจริงสมมุติขอยกให้แต่จริงปรามาททางใจของท่านมีถึงเป็นคนละอันละอย่างกับโลกเขาสมมุติเพราะทันที่นี้ที่เจอนารูปประจักษ์ชัดแจ้งในตัวของท่านอำนาจปัญญาฝาดฟันความลุ่มหลงติดข้องต่างๆตก อ, ออกไปใจของท่านเห็นแจ้งประจากอย่างนั้น จึงเป็นสมณะทุกวันทุกเวลาสมณะส่วนนี้ผู้ที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสมณะนา น, านจักทัดสนองเห็นจากตัวเองเข้าใจจากตัวเองใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้รู้ไม่ยงเห็นแต่ตาเห็นถึงใจมีความสงบสว่างสวัยเป็นมงคลใหญ่หลวง ไม่มีอะไรที่จะเลิดประเสริฐไปกว่าสมณะทางใจแต่นั้นสมณะภายในพวกเราทุกคนจึงควรสงวนรักษาควรที่นิพพานให้เห็นเพราะมันมีอยู่ทุกลูกทุกนามทุกคนไปถ้าหากฝึกอบรมตัวจะเห็นสมณะภายใน คือความสงบของใจผู้ที่เห็นแล้วคนนั้นจะพลดจากอบายะภูมิทั้งสี่ไม่มีจะไปตกนรกอเวจีเป็นเศษเป็นผีต่อไปคือใจเมื่อรู้เมื่อเห็นเด่นชัดอย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงพบหน้าชาิหน้าว่าจะไปตกนรกอเวจีเป็นเศษเป็นผีพบปัจจุบันทันตาใจที่จะ ไปสั่วช้าเสียหายแทดเผาด้วยอารมณ์ทั้นยาต่างๆทำให้ตัวของตัวเดือดร้อนด้วยอารมณ์ข้องใจไม่มีไฟนกรกปัจจุบันคือไฟนรกในใจไม่มีเผาตัวเองดับได้สงบระงับเปรจผีที่จะไปคิดลงอย่างนั้นอย่างนี้เกาะไฟ ในเรื่องกิเลสตัญหาไม่มีมดับพ้นไปได้จากอาวายยะภูมิทั้งสี่เมื่อเห็นสมณะภายในจิตใจของตัวจริงจังแต่นั้นพวกเราท่านทุกคนที่สนใจมาปพฤฏิบัตพิพึงพึงฝึกหัดอบรมตัวของตัวละมัดระวังทําชั่ว ต่างๆที่จะรั่วไหลเข้ามาทับผมใจความจริงการนั่งภาวนาหรือการฟังธรรมะไม่มีอะไรกายจะไปทำช่วยช้าต่างๆตาหูจะหมูกลิน้นจายเขาไม่ทำอะไรเงียบสงบตากลับอะไรว่วาต่างๆ อยู่ปกติมีแต่ใจเท่านั้นที่คิดปรูงในในทางชั่วทางเสียต่างๆยิงควรจริงควรระวังรักษาใจของตัวจะให้ไปคิดชั่วสงวรนใจเอาไว้ตั้งใจกำหนดอัดทำให้ใจสงบให้ใจเย็นโทษจากความปรุงคิดต่างๆเพราะเคยคิดปรุง กันมาเป็นเวลาหลายปีคุณความดีเกิดจากการคิดปรุงนั้นนั้นไม่มีอะไรที่จะประเสริฐพิเศษได้ถ้าหากการคิดการปรุงการปล่อยไปตามสัญญาลมเป็นของดีแล้วเราทุกคนจะพ้นจากที่เหลือไม่มีอะไรที่จะมาเป็นคลิปไข่ของใจไม่มีอะไรที่จะอยากได้อีกต่อไป